สิกขาบทวิพัง476คำว่าเมื่อจีวรนสำเร็จแล้วหมายความว่าจีวรของภิกษุทำเสร็จแล้วสูญหายแล้วฉิบหายแล้วถูกไฟไหม้แล้วหรือภิกษุหมดหวังว่าจะได้ผ้ามาเย็บเป็นจีวรนคำว่าเมื่อกรถินดาะแล้วหมายความว่ากรถินเดาะด้วยมาติกาอย่างใดอย่างหนึ่งในมาติกา8หรือสงดาะภายในระหว่างคำว่า ภิกษุอยู่ปราสจากตรจีวรแม้สิ้นราตรีหนึ่งความว่าภิกษุอยู่ปราสจากสังขติอุตตราสง์หรืออนระวาสกพื้นใดพื้นหนึ่งแม้คืนเดียวคําว่าเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติคือยกเว้นภิกษุผู้ได้รับสมมุติคําว่าต้องอับนิสกิยาปาจิตตีคือจีวรเป็นเนิสกีพร้อมกับอรุณขึ้นคือเป็นของจําต้องสละแก่สง แก่คณะหรือแก่บุคคลภิสษุทั้งหลายภิสูุพึงสละจีวรที่เป็นนิสกีอย่างนี้